ปิตุนังปะเทวันธามิอาหังมาตาปิดตุนังปะเทวันธามิข้าพระเจ้าขอกราบแทบเท้าทั้งสองของแม่และพ่อพระ อ, อรหันต์ที่จำพันษาอยู่ในชาย้า ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราพระอรหันทันใดได้บุญทันที 200ณอาณาจักรแห่งหนึ่งมีพระราชาผู้มีใจเป็นธรรมและเปี่ยมด้วยพระเมตตาปกครองอยู่ประชาชนในอนาณาจักรแห่งนี้จงรักภักดีต่อพระราชามากถึงขนาดยอมตายแทนพระองค์ได้เลยทีเดียววันหนึง่งพระราชาตรัสขอให้พระราชินีทาน้้ำมันหอมลงบนเส้นผมของพระองค์พระราชนีทาตามรับสั่ง แล้วจึงได้เห็นผมหงอกที่แซมอยู่หลายยอ่อมพระนางตกพระทัยมากด้วยคิดว่านี่คือสัญญาณเตือนให้ทราบถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตซึ่งหมายถึงพระชนชีพของพระราชาคงเหลือน้อยลงทุกทีคิดได้ดังนั้นพระราชินีก็หยุดทาน้้ำมันให้พระราชาและเริ่มร้องไห้ เป็นอะไรไปหรือยอดรักจู จ, จูเจ้าจึงร้องไห้เสียมากมายพระราชาตรัสถามพระราชินีด้วยความตกพระทยัยเพราะปกติแล้วพระราชินีเป็นคนเข้มแข็งมากพระนางไม่เคยหลั่งน้ำตาให้กับความอ่อนแอเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกๆน้อยๆเหมือนสตรีทั่วไปหม่อมชันเพิ่งสังเกตเห็นผมงอบนพระเสียงของพระองค์เพคะพระราชินีตัดตอบพลางสะอื้นไห้ อ๋อพระราชาทรงเข้าใจในทันทีเจ้าคงคิดถึงเรื่องอายุไขของข้าสินะฟาบาทหม่อมฉันไม่อยากให้วันนั้นมาถึงเลยหม่อมฉันจะอยู่ได้อย่างไรหากไม่มีพระองค์พระราชาทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนและแตะพระหัตถ์ของพระราชินีด้วยความรักราชินีของข้าไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้หรอก ข้าไม่กลัวเลยที่จะต้องตายและขอบคุณจริงๆที่เจ้าได้เตือนข้าเรื่องนี้ใช่ละ่ะเวลานั้นคงมาถึงเต็มทีแล้วเวลานั้นเวลาอะไรเพคะฟาบาศพระราชาตรัสตอบอย่างสงบว่าในเมื่อเราทั้งสองไม่มีรัชทายาทเพื่อสอนการเป็นเจ้าแผ่นดินให้แก่เขา ดังนั้นข้าจึงตั้งใจว่าเมื่อใดที่เวลาในชีวิตของข้าเหลือน้อยลงข้าจะยกแผ่นดินนี้ให้แก่สเสนาอำมาร์ที่มีความซื่อตรงเป็นผู้บริหารจัด ก, การแทนแล้วพระองค์ล่ะเพคะพระราชนีทรงมีสีหน้าตระนกข้าจะเข้าป่าไปบำเพ็ญตบ ะ, สะแสวงหาความสงบในบั้นปลายแห่งชีวิต ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะติดตามพระองค์ไปด้วยเจ้าอย่าไปเลยราชินีของข้ายังไม่ถึงเวลาของเจ้าหรอกพระราชาตรัส ด, ด้วยรอยยิ้มระราชินีทรงวิตกถึงวันที่พระราชาต้องเสด็จเข้าป่าแต่ไม่ทรงคิดว่าเวลานั้นจะมาถึงเร็วเช่นนี้เมื่อรุ่งเช้าพระราชาก็ทรงจากไปพร้อมพระราช อ, องค์การ แต่งตั้งเสนาอัามาศที่มีความซื้อตรงกลุ่มหนึ่งขึ้นปกครองประเทศแทนสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในพระราชสำนักเป็นอันมากและในที่สุดข่าวดีก็ล่วงรู้ไปถึงประชาชนเราไม่ยอมเราไม่ยอมประชาชนพากันมาประท้วงหน้าพระราชวังเรารักพระราชาของเราเราอยากได้พระองค์คืนมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเราเราเสนาอัามาศ ก็คิดไม่ต่างจากประชาชนเช่นกันพวกเขาทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ไม่หวังลาภยศและจงรักภักดีต่อพระราชาเป็นที่สุดข้าไม่อาจขึ้นปกครองแผ่นดินได้หรอกข้าเป็นเพียงข้าราชบริพารเป็นเสนาอํามาศที่อยู่ใต้พระบัญชาของพระองค์ไม่อาจเอื้อมขึ้นมาบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ อมบาดอาวุโสเอ่ยขึ้นในที่ประชุมใช่แล้วข้าก็คิดเช่นนั้นพวกเราไม่สามารถดูแลประชาชนให้มีความสุขได้เหมือนพระราชาของเราหรอกเราจะต้องตามพระองค์กลับมาอีกคนเห็นด้วยแต่พระราชาทรงมีเงื่อนไขเรื่องพระชนชีพหากเราไปตามเสด็จกลับมาจะเป็นการขัดขวางการบำเพ็ญบุญของพระองค์หรือไม่ ความเห็นนี้ทำให้ทุกคนในที่ประชุมเงียบไปในที่สุดอ า, อามบา์อวุโสก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยพระราชาของเราให้มีอายุยืนกว่านี้อย่างน้อยก็เพียงพอให้พระองค์มีรัชทายาททุกคนในที่นั้นส่งเสียงฮือฮา <c oughs> ทำได้หรือท่านทาได้ อมาตอภุโสกล่าวแต่พวกเราต้องมีความตั้งใจจริงแล้วเราต้องทำอย่างไรล่ะท่านอมาร์ตอมาร์ตอวุโสตอบว่าเป็นตำนานเล่าขานมาช้านานเกี่ยวกับป่าลึกที่รายล้อมรอบอาณาจักรของเราว่ากันว่า เคยมีเด็กคนหนึ่งเข้าไปนั่งสวดมนต์ภาวนาขอให้เทวดาในป่าแห่งนั้นช่วยเหลือแม่ของเขาซึ่งกำลังจะตายด้วยโรคร้ายเด็กคนนั้นอยู่ในป่าและนั่งสวดมนต์โดยไม่ยอมลุกไปไหนถึงสามวันสามคืนในที่สุดแม่ของเขาก็หายดีราวปาฏิหาร เราจะเชื่อตำนานนี้หรือท่านอัมาตอวุโสอัมาตอีกคนไม่ค่อยแน่ใจนักขึ้นชื่อว่าตำนานแล้วย่อมมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงเราต้องลองดูข้าบอกแล้วว่าเรื่องนี้อยู่ที่ความตั้งใจจริงของพวกเราอัมาตอวุโสกล่าวในที่สุดเราเสนาอัมาตก็ตกลงใจที่จะทำตามตำนานของอัมาตอวุโส ทั้งหมดพากันเดินทางเข้าไปในป่าลึกและเริ่มต้นสวดมนต์ภาวนาขอให้เทวดาที่ปกป้องดูแลป่าช่วยต่ออายุให้แก่พระราชาและดลใจให้พระองค์กลับไปปกครองบ้านเมืองดังเดิมกระทั่งในวันที่สามเทวดาก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าทุกคนเห็นแก่ความตั้งใจจริงของพวกเจ้า และพระราชาเองก็มีจิตใจดีงามน่าสรรเสริญข้าจึงมอบพรตามที่พวกเจ้าขอต่อไปนี้พระราชาของพวกเจ้าจะมีอายุยืนอีกสองร้อยปีพวกเจ้าจงกลับไปดูแลกิจการบ้านเมืองต่อเถอะพรุ่งนี้พระราชาจะกลับไปเป็นพระราชาดังเดิมกล่าวจบเทวดาก็หายวับไป เหล่าเสนาอำมหมาดดีใจมากรีบเดินทางกลับไปแจ้งข่าวดีนี้แก่ประชาชนประชาชนก็พากันโห่ร้องดีใจพร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงต้อนรับพระราชาคืนสู่บัลลังก์อีกครั้งรุง่งเช้าพระราชาก็กลับคืนอาณาจักรจริงๆแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันแทนที่อาณาจักรจะคืนสู่ความสุขอีกครั้ง คราวนี้พระราชนีกลับเป็นผู้เสด็จเข้าป่าเสียเองโดยไม่ทิ้งคำตรัสใดๆไว้แก่ใครแม้แต่พระราชาเมื่อเสนาอำมาตรู้เรื่องนี้เขาก็พากันตกใจด้วยนึกว่าพระนางคงน้อยพระไทยที่พวกตนขอให้เทวดาต่ออายุให้แก่พระราชาแต่ไม่ได้ขอให้ต่ออายุแก่พระนางด้วย พระราชินีนั่งสวดมนต์ไม่นานเทวดาแห่งป่าลึกก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าท่านมาสวดมนต์ในป่าแห่งนี้เพื่อจุดประสงค์อันใดข้าช่วยพระสวามีของท่านไปแล้วหรือว่าท่านอยากจะได้รับสิ่งเดียวกันนั้นด้วยเทวดาถามข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกพระราชินีตรัสตอบเพียงแต่อยากถามท่านเทวดาว่า จริงหรือไม่ที่ท่านให้พรแก่พระราชาให้พระองค์มีอายุยืนถึงสองรปีจริงทุกอย่างเป็นไปตามนั้นพระราชนีสายพระพักท่านไม่ควรให้พรเช่นนั้นเลยท่านเทวดานั่นคือการหมิ่นพระเกียรติแห่งพระสวามีของข้าอย่างรุนแรงเทวดาแปลกใจทําไมเล่าท่านไม่อยากให้สามีของท่าน อายุยืนยาวหรอกหรือนั่นเป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาและข้าคงจะดีใจหากพระสวามีของข้าเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดามิใช่พระราชาของปวงชนแล้วจะเป็นเช่นไรละ่ะพระราชาของปวงชนจะอายุยืนไม่ได้อย่างนั้นหรือพระราชามีหน้าที่ต่อประชาชน ต้องดูแลประชาชนให้มีความสุขก่อนที่จะคิดถึงตัวเองถ้าพระราชามีอายุยืนถึงสองร้อปีในขณะที่ชาวบ้านยังต้องล้มตายอยู่ทุกวันท่านเทวดาพระสวามีของข้ายังเป็นพระราชาผู้ประเสริฐเหมือนเก่าก่อนได้อีกหรือแต่ข้ารู้ด้วยทิพย์โสด ว่าท่านร้องไห้ด้วยเรื่องนี้เสียมากมายเมื่อหลายวันก่อนข้าเศร้าใจจริงๆท่านเทวดาเมื่อนึกถึงวันสิ้นพระชนของพระสวามีแต่ถึงกระนั้นพระเกียรติภูมิของพระองค์ก็หาได้สูญสิ้นไปด้วยไม่ท่านเทวดาหากพรของท่านทำให้คนมีอายุยืนได้ถึงสองร้อปีจริงๆ ท่านควรให้พรนี้แก่ประชาชนของข้าต่างหากเพราะข้าเชื่อว่าเมื่อพระราชาทรงตระหนักถึงสิ่งนี้ในวันที่พระองค์เห็นประชาชนล้มตายพระองค์จะต้องปวดร้าวที่ไม่อาจช่วยอะไรพวกเขาได้ทั้งๆที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย เทวดารู้สึกประทับใจพระราชินีที่ทรงคิดถึงประชาชนมากกว่าตนเองจึงมอบพรสูงสุดให้ประชาชนในอาณาจักรของพระราชาและพระราชนีมีอายุยืนถึง200ปีรวมทั้งให้พระราชนีมีอายุยืน200ปีเพื่ออยู่เคียงข้างพระราชาด้วยเช่นกันแม้ว่าพระราชนีจะไม่ได้ร้องขอเลยก็ตาม เมื่อพระราชินีได้ฟังดังนั้นก็ให้สัญญาแก่เทวดาแห่งป่าลึกว่าจะช่วยพระราชาดูแลอาณาจักรให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขตลอดไปจากนั้นจึงเสด็จกลับเข้าเมืองและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แ ก, ทก่ทุกๆคนในอาณาจักรฟังทุกคนดีใจมากที่ได้รับพร น, นี้และความสุขสงบก็กลับคืนสู่อาณาจักรของพระราชาและพระราชนีอีกครั้ง เธอทั้งหลายมิใช่เรื่องผิดหลอกที่เราจะคิดถึงตัวเองและรักตัวเองมากกว่าผู้อื่นแต่ถ้ารักตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวสุดท้ายความเลวร้ายต่างๆก็จะอุบัติขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นการคิดถึงผู้อื่นบ้างจะทำให้เรารู้ว่าเราเองเป็นคนดีได้มากกว่าที่เราคิด เรามอบความสุขให้คนอื่นได้โดยไม่ต้องเสียสตางเพียงแค่หยิบยื่นความปรารถนาดีของเราให้แก่เขาหลีกทางให้เขาก่อนเมื่อเห็นว่าเขาตกที่นั่งลำบากกว่าเราแต่กระนั้นเราก็คงไม่ได้อะไรเป็นพิเศษจากการทำที่แสนประเสริญนิยรกนอกจากความสุขและอิ่มเอมใจที่ได้ทำความดีถ้าเธอถามว่าแล้วความสุขความอิ่มเอมเนี่ยมันดีแค่ไหนกันเชียว เอาเป็นว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เธอยิ้มและหัวเราะได้ทั้งวันก็แล้วกัน